สี่สิบหรือรูปอีกสี่อันนี้ผมทำไปแล้วแล้วก็จะไม่ทำซ้ำวันนี้ก็คงมาว่ากันทั้งเรื่องจตุธาตุฐานสี่คำว่าธาตุสี่เมื่อที่วันที่แล้วได้อธิบายมาแล้วว่ามีสภาวะเป็นยังไง รวมความแล้วเราจะเห็นว่าท่าสี่นี้เป็นสมบัติของตันหาที่เราจะมีท่าสี่ขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยตันหาเป็นปัจจัยถ้าเราสามารถตัดตันหาสิ้นได้ก็ถือว่าเป็นการตัดกิเลสทั้งหมดดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตัดไว้ ว่าในอริยสัจสีว่าถ้าเราตัดตัณหาเช่นได้อย่างเดียวทุกเสิ่งทุกอย่างก็ตัดหมดเป็นอรหรันยังขอทุกท่านจงเอาสังขารคือร่างกายของเราที่ประกอบพุทธทาสีท่านมันที่มันมีสภาวะเป็นอนิจจังคือหาความเที่ยงไม่ได้โดยการที่สอนทุกขังมันเป็นความทุกข โดยการดีสามอัญ ต, ตามีการสลายไปที่นาที่สุดจะเป็นร่างกายของเราคนดีจะเป็นร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุในโลกทั้งหมดในคนดีจงถือว่ามันหมดในฐานะที่เป็นสมบัติของเราเราจะไม่คิดว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ เือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟอันนี้เป็นเป็นเราเป็นของเราเรามีร่างกายร่างกายมีในเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าร่างกายเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราไม่ต้องการให้มันแก่มันก็จะแก่ไม่ได้เราไม่ต้องการให้มันเจ็บมันป่วยเราก็จะเจ็บป่วยไม่ได้ เราไม่ต้องการให้มันตายมันก็จะตายไม่ได้เราไม่ต้องการทัดพลาดจากของรักของชอบใจมันก็จะทัดพลาดจากของรักของชอบใจไม่ได้แต่ว่าการทั้งหมดนี้เราห้ามมันได้ไหมใช้เป็นยาแบบเบาๆการศึกษาหรือการปฏิบัติเป็นกรรมฐานถ้าดูแต่นังสือ ใช้แต่สัญญาไม่มีปัญญาพิจรารณาก็ไม่มีอะไรเป็นผลฉะนั้นบรรดาท่านพุทธสาธเสนิกชนและวิสุสมณี น, นทั้งหลายเวลาศึกษาพระกรมฐานนะจงอย่าศึกษาแต่สัญญาอย่างเดียว จงใช้ปัญญาพิจารณาด้วยกรรมฐานทุกกองที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงสอนได้กล่าวไว้แล้วว่าจับกองใดขึ้นมาก็ตามสามารถถึงอารหัตผลได้เหมือนกันหมดโดยไม่ต้องย้ายกรรมฐานไปหลายๆกองเวนไว้แต่จะใช้ส่วนผสมเท่านั้น กองต้นถือเป็นพื้นฐานแต่ว่า ก, กองที่มีความสำคัญที่สุดก็คืออานาปานุสติกรรมฐานและก็มรณ า, านุสติกรรมฐานสองกองนี้ถ้าใครทิ้งไม่ได้คิดไว้ก็แสดงว่าท่า น, น, นหลายบวชเข้ามาแล้วหรือเข้ามาศึกษาในเขตของพระศาสนาไม่มีอะไรเป็นผลของท่าน อนาปานุสติกรม ร, กรมฐานเป็นกรรมฐานสอทําจิตให้ทรงชาญเป็นปกติและเปน็นกรรมฐานระงับกายระงับทุกขเวทนานอกจากนั้นอนาปานุสติกรรมฐานยังจะสามารถกําหนดรู้วันตายวันและเวลาการตายของตนด้วยช่วยให้ตนเองไม่ให้มีความไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ประมาท แม้แต่องค์สมเด็จพระบรมโลร ourke ก็นัดทรงตรัสกับสารีบทว่าสาลีปุตตะดูก่อนสารีบทเราเองเวลานี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีอนาปานุสติกรรมฐานมากอยู่ในครั้งนี้หมายความว่าองค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงใช้อนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติ แล้วตอนหนึ่งทรงตัดกระเพาะอนนนท์ถามพระอนนนท์ว่าอานันทะดูก่อนอนนนท์เธอคิดถึงความตายวันลกี่ครั้งพระอนนนท์ทรงตูโทนตากราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดถึงความตายวันณประมาณเจ็ดครั้งสมเด็จพระผู้ทธมีพระพ่ายจเจ้าก็ทรงตัดว่าอานันทะดูก่อนอนนนท์ยังห่างมากไป สถาคนคตนน้ทิศนึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกนี่เป็นันว่าการนึกถึงความตายก็คือเป็นส ก, กายยติทิเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นเองคนที่นึกถึงความตายเป็นปกติเป็นคนที่มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เส ม, มอว่าร่างกายที่ประกอบไม่ได้ธาตุสี่ ที่ขณะที่ครองอยู่เวลานี้และอาศัยอยู่ไม่ช้ามันก็พังถ้าเรายัง ย, ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่ก็เชื่อว่าเราโง่เกินไปศัพท์ที่กล่าวมาแล้วนี้ทั้งหมดท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่เวลานี้ท่านฟังมาแล้วซ้ๆ ซ, ซากๆ อยากจะมีความรู้สึกไม่อยากจะถามว่าธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ที่ฟังกันมาแล้วจนเฟื่องมีความซึมเข้าไปในจิตที่ขนาดไหนบ้างในการซึมของพระกรรมฐานตามที่กล่ารมานี้วันนี้นะจะพูดกันที่กดการซึมเท่านั้นถ้าซึมอันดับต้นที่จัดว่าเป็นอันดับเร็วที่สุด จิตการธรรมะที่ซึมเข้าไปก็สามารถจะระงับนิวรห้านได้เป็นขณนะขณะคือว่านิวรห้านจะสิงใจได้น้อยเต็มทีเพราะสายที่เรามีคิดถึงลมให้ใจเขาออกเป็นปกติเป็นการทรงสติสมัธัญยะ นึกถึงความตายเป็นปกติในเมื่อนึกถึงความตายเป็นปกติก็ถือว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่ยึดถือในมันในเมื่อไม่ยึดถือในร่างกายว่าเป็นเราไม่เป็นของเราเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลเราเขามันเป็นแต่เพียงสิ่งที่ตัณหาสร้างขึ้นลอกคนโง่เท่านั้นให้หลงอยู่ ทีอสมเด็จพระบระมครูทรงตรัสว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรศที่พวกคนเข่าหมกอยู่แต่ท่านพู้หาข้องอยู่ไม่ <c oughs> นี่หมายความว่าคำว่าโลกก็หมายถึงว่าสัตว์ที่มีชีวิตคือคนและสัตว์และวัตถุทั้งหมดที่คนโง่องมองแล้วเห็นว่าสดสวยงดงาม แต่ว่าคนที่มีความฉลาดไม่มีใครเขาติดอยู่เห็นว่าโลกนี้เป็นเชื้อสายของความทุกข์ทั้งหมดควาว่าไม่ติดก็ไม่ติดร่างกายอย่างเดียวพอเเมื่อร่างกายของเราเราไม่ติดเราจะไปติดร่างกายของใครเราจะไปติดวัตถุธาตุอะไร ในสมัยที่มีชีวิตอยู่ก็อาศัยมันอาศัยมันเพื่อทําความดีเพื่อพระนิพพานเรวก็มานั่งมองใจของเราต่อไปแล้วว่าในเมื่อเราเห็นว่าร่างกายมันเป็นเพียงธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันทรงอยู่เท่านั้นมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราแล้วกรามฉันทะ นิวรตัวตนมีรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศอันนี้เราเห็นว่าดีและไม่ดีนเมื่อร่างกายของเราเห็นว่าร่างกายไม่ดีเราไปเห็นร่างกายของใครเขาว่าดีอีกถ้าใจเห็นว่าดีมันก็งโง่เต็มทีแล้วก็โทษสารพยาบาทความโกรธ ถ้าเขาว่าร่างกายของเราไม่ดีเราโกรธกทำไมในเมื่อร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาว่าดีแล้วเขาว่าชั่วถ้าเราเลวเขาชมวันดีเราก็ไม่ได้ดีไปตามคําเขาพูดถ้าเราดีเ้าติว่าเราชั่วเราก็ไม่ได้ชั่วไปตามคำเขาพูดประยึดถือไว้ทำไม ว่าท่าของบอคุคคลผู้กล่าวคนกล่าวประเภทนั้นเขาจะอยู่นั่งพูดอยู่ได้ดกี่วันไม่ช้าเขาก็าตายในเมื่อเรามีนาปานุสติกรรมฐานประจําใจนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เราจะซบจะซึมจะเศร้าในเมื่อสร้างความดีนี้ไม่มีแล้วก็บรรการทีสี่ ในเมื่อเรามีสติสมปชัญญะสมบูรณ์รู้ร่างกายนี่มันเป็นธาตุสี่ไปที่อาศัยโชคราวอารมณ์ของเราที่จะตัดร่างกายขึ้นหนีไปพ้นสมบัติของตัณหามันก็ทรงอยู่เป็นปกติมีอารมณ์ไม่พุ่งสร้านตั้งจิตเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ความกระสับกระสายไปสู่การภายนอกมันก็ไม่มี และในเมื่อเราเชื่อแรงกายนี้มันเป็นท่าสี่ไปชมกันโชคราวคำการสงสัยในคำสั่งสอนองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีความจริงเพียงแค่เรามาช่วยกันรงับนิวรณ์สี่และในวันห้านี้เราก็ไปอารามได้แล้ว แต่ ว, ว่าในฐานนาที่องค์สมเด็จพระประทีแก้วทรงพีว่าเป็นการระ ง, งับเพื่อโลกวิญชาณก็ขอยังไม่แค่นี้ต่อไปแล้วก็มันดูใจของเราว่าคำสอนทุกวันที่เราฟังนะั้นมันซึมเข้าไปทีงไหนเป็นอนวุวานิวรห้าราการนียังคล่องอยู่ในใจเราหรือเปล่า ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งข้องห้องอยู่ในใจก็จงตํำหนิใจของตัวว่าเลวเกินไปสําหรับอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาดูใจของตัวเองอย่าไปดูใจของคนอื่นถ้าใจมันดีปากมันก็ดีกายมันก็ดีและจงใช้ปัญญาให้มากทั้งธรรมะและกิจการงาน ถ้าจิตใจสามารถชนะนิวรณนหารได้ต่อไปก็มานั่งไปดูความเป็นพระอรเดียเจ้าอย่าลืมนะถามีอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติมีมรณานุสติกรรมฐานเป็นปกติคิดไว้รู้ไว้ทุกลมให้ใจเขาออก อาการอย่างนี้ท่านดังหลจะเป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดวันถ้ามีอารมณ์ขมขน้นถ้ามีอารมณ์อย่างกลางจะเป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดเดือนและถ้าอารมณ์เลวที่สุดจะเป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดปีเพียงแค่เราใช้พิจารณาธาตุสี่ ควบคู่กับอนาปานุสติกรรมฐานกับมรณานุสติกรรมฐานเพียงเท่านี้การเป็นอรหันต์อยู่ที่มรณานุสติกรรมฐานตัวเดียวเป็นสําคัญถ้าในด้านสมถะเราเรียกกันว่ามรณานุสติกรรมฐานถ้าในด้านวิปัสนาญาณเราเรียกกันว่ากายอัสกาญทิฏฐิ คือพิจารณาเห็นว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่นี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในธาตุเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเมื่อเราไม่ยึดถือร่างกายของเราที่อย่างเดียวจิตมันก็หมดหมดอารมณ์เกาอกำลังของตัณหาคือความอยากไม่มีเมื่อจิตมันไม่ติดไม่ติดในร่างกายที่อย่างเดียว คำว่าความอยากอย่างอื่นมันก็หมดไปนี่คำว่าเป็นอรหันเนี่ยมีอยู่ตรงนี้เท่านั้นในสังโยชนิสิบรายการเนี่ยเขาตัดตัวเดียวคือตัดสกายตทิฐิถ้าฟังกันง่ายๆเรียกว่าตัดความรู้สึกว่ามันจะต้องตายคือมีรมคิดไาเสมอว่าไม่ช้าร่างกายนี้ก็ตายถ้าว่ามันตายก็ตายไป อยู่มันเป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้สนใจอะไรกับมันร่างกายคือประกอบไปในธาตุสี่แบบนี้ไม่มีสำหรับเราต่อไปวันนี้ตัดยอดสรุปให้สัน้นก็สอนกันมา น, นานมันน่าจะได้นานแล้วนี่ตอนนี้ไปเราก็ใชอารวมเปรียบเทียบไปดูบารมีสิบ บารมีสิบมีฐานบารมีเป็นต้นกําลังของใจใจของเราพร้อมแล้วหรือยังเมตตาบารมีปัญญาบารมีวิทยาบารมีอะไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยจิตใจของเราครบแล้วหรือยังตอนหน้าครูบาอาจารย์ประพฤติแบบไหนรับหลังครูบาอาจารย์ประพฤติแบบไหน จิตใจของเรามีความรู้สึกรับผิดชอบในภารกิจของสงฆ์ครบถ้วนหรือเปล่าถ้ามีบารมีสิบมันครบทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องจิตที่ยังคิดว่าครูบาอาจารย์รักคนนนมากรักคนนี้น้อยยังมีอยู่ไหมคำสอนที่ครูบาอาจารย์สอนเราสอนเฉพาะบุคคลหรือ ว, ว่าสอนทั่วไป ได้ยินกันทั่วแล้วได้ยินเฉพาะบคุคคลจิต ท, ที่มีมานะอย่างนี้ยังมีสำหรับเราอยู่หรือเปล่าถ้ามีอยู่เราก็ยังเลวเกินไปสำหรับพระพุทธศาสนาอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาไม่ต้องการคนเลวพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนคนเลวและก็ไม่สนใจคนเลว คนไหนดีองค์สมเด็จพระจินทร์ีขยุกเต็มที่เพื่อให้เป็นบุคคลตัวอย่างแล้วก็ยกย่องดูอย่างพระโมกขลาประสานิบุตรมาที่หลังมาที่หลังกว่าใครอย่างท่านอัญญากณตัญญะท่านแล้วก็มีท่านพัทธวัคคีก็ดีปัญญวัคคีก็ดีเรื่องโ็ชดินก็ดีมาก่อน ทำไมองค์สมเด็จพระจินวนร์จึงไม่ทรงยกย่องว่าเป็นอัครสาวกสำหรับพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรมาทีหลังทำไมพระพุทธเจ้าถึงทรงยกย่องว่าเป็นอัครสาวกเพราะว่าท่านทั้งสองนั้นมีความสามารถเป็นพิเศษองค์สมเด็จพระบรมนอกกระเชิดจึงทรงยกย่องเป็นตัวอย่าง แล้วก็มีพระอีกหลายท่านที่ทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศฝ่ายนั้นอย่างพระอ ม, มารีถือว่าเป็นผู้เลิศในด้านพระมุไนไนพระสารีบุตรเป็นผู้เลิศในด้านปัญญาพระโมคคัลลาเป็นผู้เลิศในชั้นในด้านฤทธิพระมหากัจจยนะเป็นผู้เลิศในด้านปฏิภัณธ์แล้วก็พระอนุรุตเป็นผู้เลิศในทิพย์อยู่พยาณเป็นตน้น ทำไมองค์สมเด็จพระทศพลไม่ยกย่องพระทีอื่นซึ่มีทําได้เหมือนกันมาเป็นผู้เลิศแต่คำว่าเลิศในมันหมายความว่าอย่างที่ทิพย์พุย น, นีพระอระหันตั้งแต่วิชาสามขึ้นไปได้ทิพย์พุยานเหมือนกันหมดแต่ว่าภาษาพระภาษาอนุรุตสําหรับพระอนุรุตปรากฏว่าเป็นผู้เลิศในการคล่องแคล่วในการใช้ทิพย์พยานละเอียดเป็นพิเศษ ดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกเเชตเจียงสรงยุกย่องอย่างนี้เป็นต้นนี่การสอนธรรมเขาสอนกันอย่างนี้ถ้าใครมีความสามารถดีดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าแท่นขยุกเพื่อนำให้บุคคลอื่นทหลายทำตามในี่ิําหรับท่านที่มีบา ร, รมีสิบครบถ้วนความจริงเมื่อมีจรณะสิบห้าครบถ้วน มีอธิบาสี่ครบทนฟังกันอยู่เสมอไม่มีอะไรหรอกการเป็นอรหันต์มันอยู่แค่เอื่มท้งคิดว่าแท่งครบตามนี้แล้วค่อยๆเอานิ้วก้อยสะกิดเราก็ได้พระอรหันต์ต่อไปแล้วก็ดูกำลังใจของเราว่ า, าติดในร่างกายของเรากราเปล่า ถ้าหากว่าเราละในน้อยก็อย่าส่งความเป็นป ร, ระสูคดากะสิธาคารโดยคิดว่าถ้าเราอย่าตายแล้วเราไม่ยอมไปอบายภูมิจิตมุ่งหน้าไปเฉพาะพระนิพพานอย่างเดียวอยา่างเลวที่สุดจะเกิดในระหว่างมนุษย์เทวดาตอนนี้เราก็อย่าตัดสกายะทิฐิเบาๆคือมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตาย ในเมื่อเราจะตายเราจะต้องหาที่พึ่งใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนพระพุทธเจ้าจงมีจนกระทั่งมีความเข้าใจแล้วก็ต่อไปสามารถทรงสินห้าเป็นสมุทเจตถ้าพระเนยก็สิน 10, สิบสินสอง้อยีสิเจ็ดินทรงตัวไม่บกครองเท่านี้ก็เป็นประสูตากับพระสีธาคามี ถ้ากาลังใจของเราไม่ติดอยู่ในธาตุสี่สูงขึ้นไปอารมณ์ใจของเราก็ตัดกามาชันทะได้ไว่าไอ้ร่างกายเรลวๆที่สุภปกตอย่างนี้จะไปรักเพื่อประโยชน์อะไรจะมาประคับประคองเพื่อประโยชน์อะไรความโกรธความไม่ชอบใจสำหรับวาทะคำบบคนเลวไม่มีสำหรับใจเรา เวลาที่คนด่าเขาว่าเขานินทาเนี่ยค้นด่าเขาว่าร่างกายมันไม่ถึงใจใจเราไม่รับอย่างนี้เป็นระอนาคามีที่เราระงับความรู้สึกประเภทนี้ก็รู้สึกว่ากระเพาะมันมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเหี้ยเขามเป็นแทบเป็นเครื่องลอกของตัณหา เราไม่มีความปรารถนาอีกถ้าเรารักร่างกายคนอื่นก็สนแสดงว่าเรายังเป็นท้ายของตัญหาลืมความตายลืมความแก่ลืมความป่วยคนจะสวยจะทรงสมรสภาพผ่องใสยอยู่ได้กี่วันมันก็สุดโทรมไปทุกวันแล้วไม่ชาก็ตายเราจะไปรักผีเอาผีมาเป็นคูครองเพื่อประโยชน์อะไร และการต่อไปควายปฏิฆะคือการไม่ชอบใจมันก็ไม่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มันไม่ได้สร้างความสุขให้เกิดกับใจในที่สุดในเมื่อเราตัดขันห้าคือไม่หวังอะไรในท่าสี่คือขันห้าเสร็จแล้วอารมณ์ตอนนี้มันก็ผ่องแผ้วเราไม่รักโดยกามาฉันทะเราไม่โกรธได้ปฏิฆะคือความกระทบกระทั่ง เราก็เป็นพาอนาคามียากไหมผมไม่เห็นมีอะไรยากต่อไปถ้าใจของเราสูงขึ้นมีความรู้สึกว่าร่างกายมันจะตายเป็นปกติไอ้เจ้าธาตุสี่นี่มันจะพังใช้อนาปานุสติกรมธานควบคุมทรงสติสัมปชัญญะสมบูรยิ่งขึ้น ตอนนี้ก็จะมองเห็นว่ารูปประชานและอรูปประชานที่กันได้มาจากอนาปานุสติกรรมฐานนี่มันเป็นตัวกำลังเท่านั้นยังไม่ใช่จุดของนิพายคือตัวตัดเรายึดเข้าไว้เป็นอารมณ์สำหรับไม่ข่มกิเลสต่อไปก็พิจารณาระตามคำสั่งสอนข อ, ององค์สมเด็จพระบรมโลกเชต ว่าการมาณนะถือตัวถือตอนนะไม่นควรหรือไม่ควรแต่ต้องถือบ้างตามฐานะที่เราทรงอยู่แต่ไม่ให้เหยียดหยามใครเราเป็นพระเป็นเนรจะไปวิ่งเล่นกับเด็กไม่ได้เป็นผู้ใหญ่จะเล่นกับเด็กก็ไม่ควรถือแค่นี้แต่ใจของเราหนี้ประกอบด้วยความดีที่ว่าคนแลสัตว์ทั้งหมดเป็นธาตุ ของตันหามีร่างกายประกอบวัาฏสีเหมือนกันไม่ช้ามันก็พังทลายคำว่ารังเกียจในร่างกายฐานะหรือความรู้ศักดิ์ไม่มีในจิตของเราเพียงเท่านี้แล้วก็ตัดมานะความถือตัวถือตนเสียได้ต่อไปก็ใช้กำลังใจมุ่งเฉพาะระนิพานาเป็นอารมณ์ การมุ่งพระนิพพานก็คือว่าสนใจว่าร่างกายมันตายแล้วก็แล้วกันไปถ้าเราก็ไม่สนใจในร่างกายเขาบุคคลอื่นไม่สนใจในทรัพย์สินทั้งหลายในโลกเพราะทั้งหมดนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ความสุขจริงๆคือพระนิพพานตัทธราคะความรักโทมโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง ตั้งจิตตรงเฉพาะนิพญาณฝ่ายเดียวอย่างนี้ก็ชื่อว่า ต, ตัดอุทะจะสิได้ต่อไปตัวสุดท้ายตัดอวิชชาคือความโง่อวิชชานี่ผมถือว่าความโง่ตัดตัวไหนตัดอวิชชาคือตัดตัวขันห้าเห็นว่าเราก็ฉันทะอวิชชาในแบ่งเป็นธรรมะได้สองของ้อ คือฉันทะาความพอใจในทาสี่ไม่มีสำหรั บ, ร, บราคะการเห็นว่าทาสี่ที่เต็มไปได้วยความสุขปรกอบไม่มีสำหรั บ, ปรบเป็นนันว่าทาสี่นัตนบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราไม่ติดใจทาสี่ของเราและก็ทาสี่ของคนอื่นแม้แต่ทาสี่ที่เป็นวัตถุก็ไม่มีความปรารถนาสำหรับเรา จิตใจเราก็จะมีความเบาอารมณ์ของพระอาหารหันต์เป็นยังไงอารมณ์ของพระอาหารหันต์นั่นก็คือยอมรับนับถือกฎของธรรมดาไม่มีสุขแล้วก็ไม่มีทุกในโล ก, กีวิสัยทําใจเป็นโอเบคขารมโกเบคสังขารุเปคขาญาณโกเบคขาร ม, า เ, รมเรื่องบักเรื่องไอเรื่องเขาโล ก, กีวิสัย ที่เป็นปัจจัยของความโลภไม่มีความสะเทืนใจร่างกายมันจะแก่ก็เชิญแก่ร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยร่างกายมันจะตายก็เชิญตายของที่รักของคนที่ชอบใจมันจะจากไปไหนก็ เ, เป็นเรื่องของเขาแม้แต่ร่างกายของเรามันจะพังเรายังห้ามไม่ได้ กำลังใจของพระอรหันต์เป็นสุขคำว่ า, าสุขในที่นี้ก็หมายถึงว่าอกฤศได้แก่มีอารมณ์สบายพบสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ไม่สุดนใจพบสิ่งที่เขาจาโลกก็ปรารถนาก็มีอารมณ์เฉยๆความรวมความว่าพระอรหันต์ไม่มีความทุกข์ แล้วก็พระอาหารหันต์ไม่ได้มีความสุขเพราะวัตถุนิวาจจจิตใจว่างจากความชั่วคือโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเพวาราคะพอใจในความสวยสดส ง, งามอันนี้เป็นอารมณ์ของพระอาหารหันต์ไม่คิดว่าใครดีไม่คิดว่าใครเลวทุกร่างกายของคนทุกคนเลวหมด แต่ว่าไม่ได้คิดว่าเขาเลวคิดว่าร่างกายเป็นเที่ยงวิธเป็นท่าสี่เนี่ยมันเลวหมดวัตถุธาตุในโลกทั้งหมดเลวหมดจิตหลุดเส้นได้แล้วอาการลมใจก็มีอย่างเดียวก็มีความผ่องแผ้วมีอารมณ์เป็นสุขที่ไม่ไม่เจือเวเดอมิตรที่เรียกว่านิราเมสสุขสุขแบบปลอดโปลงมีความเบาใจสบาย อะไรท่านอย่งหลายการพูดมาเวลาการก็สมควรจะเวลาสาหรับการแนะนำพระกรรมฐานในด้านที่เรียกว่าเป็นหลักสูตรใหม่คาว่าหลักสูตรใหม่แต่ไม่ใช่ของใหม่รวบรวมกำลังใจรวบรวมกำลังพระกรรมฐานเข้ามาเป็นหมดหม ด, หมดเพื่อมีความเข้าใจในการปฏิบัติสาหรับวั น, นี้ก็หมดเวลาแล้วต่อ น, นี้ไปขอมรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑแก้ว ที่เป็นพระเป็นเนนเป็นุมาา a กเป็นอม b r a s i k ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นอยู่ในเรี่องอิทธิยาบทที่ท่านต้องการไละใช้คำภาวนาและพิจารณาไต่ขั้นห้าตามอัตยาสายจนไทถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี